สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีรษะนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชันเปีสูตอนที่สามร้อยสี่สิบเก้าเรื่องคนตาบอดแต่กําเนิดพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในธรรมยอต์บทที่เก้าข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เจ็ดครับถ้าทมยนต์บทที่เก้าข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เจ็ดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า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 เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัส ด, ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโครนทาทิตาของคนตาบอด แล้วตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างโคลอนออกเสียใน ส, สิโลอัมเถิดสิโลอัมแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็เห็นได้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นตอนที่เชื่อมโยงกันและเป็นตอนที่สำแดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอ บทที่ 8: ปดข้อสิซึ่งเราได้แบ่งปันได้พูดคุยกันมาแล้วนะครับพระธรรมยอห์บทที่8ป2ความว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตและในข้อที่5ของบทที่9ซึ่งเราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงว่ากราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลก เป็นคำตัดของพระเยซูนะครับความสว่างมีที่ไหนความมืดก็จะหมดไปพี่น้องครับในข้อที่หนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกำเนินไปนั้นพระองค์ทรงเห็นชายตาบอดได้กําเนิดคนหนึ่งคําถามของพวกสาวกเกี่ยวกับชายตาบอดสาวกทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะใครได้ทําผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอดนี่คือคำถามของคนอยากรู้อยากเห็นในขณะเดียวกันครับอยากหาสาเหตุของความพิกลพิการหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งที่คนไทยเราเรียกว่ากรรมทำไมเกิดมาจึงมีกรรมขนาดนี้กรรมหมายถึงอะไรครับกรรมหมายถึงการกระทำหรือผลแห่งการกระทำนั่นเอง ที่นี่เขาถามคาถามคล้ายคลึงกันครับใครได้ทำผิดบาปเพราะความเชื่อของพวกยิวและแม้กระทั่งสาวเองพวกเขาเชื่อว่าความพิการหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงนั้นมีผลมาจากความบาปความทุกข์บางอย่างก็มีผลมาจากความบาปแต่พระเยซูได้ตอบหลักการความจริงในที่นี้บอกว่าการตาบอดของชายคนนี้ไม่ได้มีผลมาจากความบาป ไม่ได้มีผลมาจากความบาปของคุณพ่อคุณแม่ของเขาพระเยซูปฏิเสธข้อสรุปของพวกยิวและพวกสาวกของโปรงว่าความบาปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาวะร่างกายของชายคนนี้โดยการตรัสในข้อที่สมบอกว่ามิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปแต่สภาวะของชายคนนี้จะเปิดโอกาสให้พระราชกิจของพระเจ้าได้ปรากฏพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อชายตาบอดคนนี้ เป็นครับหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะไม่สามารถตอบได้ว่าที่บางคนเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นโรคบางสิ่งบางอย่างโรคร้ายหรือความพิกลพิการหรือความเจ็บป่วยเนื่องจากความบาปไม่สามารถสรุปได้อย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดีกันเราสามารถสรุปภายใต้มุมมองขององค์พระเยซูคริสต์บอกว่ายังไงก็ตามสาเหตุตา่าง นะครับอาจจะไม่กสำคัญนักแต่ทางออกของปัญหาต่างๆสำคัญกว่าครับพี่น้องครับชายคนนี้สภาวะของชายคนนี้เปิดโอกาสให้พรรารกิจของพระเจ้าได้ปรากฏชัดเจนพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อชายตาบอดคนนี้แสดงว่าทางออกสำคัญครับผลลัพธ์สุดท้ายสำคัญครับ ก่อนที่พระเยซูจะสำแดงฤทธิเดชของพระเจ้าในการรักษาพระเยซูตัดประกาศข้อเท็จจริงบอกว่าพระองค์จะต้องกระทําภารกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทํางานได้ตราบใดที่พระองค์ยังอยู่ในโลกพระองค์เป็นความสว่างของโลกเมื่อพระเยซูตัดว่าเราพระองค์หมายถึงสาวก ของพระองค์ด้วยที่จะต้องทําพระราชกิจของพระเจ้าเมื่อยังวันอยู่หมายความว่าเมื่อโอกาสเปิดเมื่อเวลาที่พระเจ้ากําหนดไว้นะครับยังมาไม่ถึงตราบใดที่ยังมีโอกาสเรายังมีความหวังครับในขณะเดีวยวกันครับย้อนบทที่หกข้อที่ยี่สิบเก้าที่เราเคยผ่านมันแล้วบอกว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มางานรับใช้ของพระองค์นั้นเป็น ไปในเชิงเร่งด่วนพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้าในช่วงเวลากลางวันนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลากลางวันของเราแต่ละคนอาจจะมีไม่เท่ากันนะครับพระเยซูทรงมีเวลากลางวันประมาณสามปีเท่านั้นเองหมายความว่าเวลาที่พระเยซูจะรับใช้พระเจ้ามีแค่สามปีพี่น้องครับถ้าเรามาพูดคุยอภิปรายถึง สาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแน่นอนครับมีความเป็นไปได้อยู่หลายประการด้วยกันความเป็นไปได้ประการแรกขอย้ำเน้นนะครับว่าความเป็นไปได้ประการแรกก็คือมันเป็นผลของความผิดบาปมันเป็นผลของความเสื่อมสลายเนื่องจากมนุษย์ทำผิดบาปมันเป็นผลมาจากธรรมชาติที่แย่ลงเพราะมนุษย์ทำผิดบาปแน่นอนครับสาเหตุแรกก็คือความบาปนั่นเอง สาเหตุที่สองที่เราเห็นที่นี่ก็คือว่าเป็นเพราะพระเจ้ามีพระประสงค์ต่อชายคนนี้นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าน้ำาทไทยของพระเจ้านะครับที่มีมาถึงผู้ที่เจ็บแค่ได้ป่วยแน่นอนครับเป็นน้ำาทไทยในเชิงบวกทั้งสิ้นไม่ได้เป็นการลงโทษไม่ได้เป็นเพราะเหตุที่เป็นความผิดของเขาแต่พระเจ้ากำลังสำแดงพระราชกิจของพระองค์ จะได้ปรากกฏเพื่อนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมองให้รอบคอบและรอบด้านหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราสรุปผิดจะส่งผลต่อคนบางคนที่จะเลิกเชื่อพระเจ้าจะส่งผลต่อคนบางคนที่จะละทิ้งพระเจ้าน้อยอกน้อยใจพระเจ้าและไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นกับพระเจ้าต่อไปงอนพระเจ้าครับ เป็นคําพูดที่หลายคนชอบใช้พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับผมอยากจะใช้ข้อพระธรรมโรมบทที่แปดสรุปนะครับเหตุฉะนั้นข้อบทที่แปดข้อที่หนึ่งครับเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูและในข้อยี่สแปดครับพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งหลายครั้งเหตุการณ์ที่ไม่ดีวิกฤตต่างๆความทุกข์ยากลาบากต่างๆ แม้กระทั่งโรครายหรือการเจ็บไค่ได้ป่วยพิกลพิการทําให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นครับในเวลาเดียวกันเรารู้ว่าหากเรารักพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยเปลี่ยนแปลงชานการณ์ต่างๆในที่สุดแล้วพระองค์จะได้รับเกียรติและในที่สุดแล้วพระองค์จะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในที่สุดมันจะเป็นผลดีต่อชีวิต ของผู้ที่รักพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราประสบกับหลายสิ่งหลายอย่างให้เรามั่นใจว่าเราเป็นคนที่รักพระเจ้าเราเป็นคนที่อยู่ในพระหัตอยู่ในการอารักขาของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวและอย่าไปเข้าใจผิดนึกว่าเป็นการลงโทษนะครับสําหรับคนที่อยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าคนที่บังเกิดใหม่คนที่เป็นผู้เชื่อไม่มีการลงโทษครับเพราะว่าการลงโทษนั้นอยู่ที่พระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้ว ผงสุงรับโทษและเป็นคัดจ้างของความบาปเปียบร้อยแล้วเราอาจจะถูกพระเจ้าสอนตีสอนพระเจ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเรานั่นเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้ครับและเราจะต้องมีความเชื่อว่าในที่สุดจะเกิดผลดีในชีวิตของพวกเราทุกอย่างอาเมน